ตั้งใจฟังธรรมเทศนาจะอธิบายต่อถึงเรื่องพระพุทธกระธรรมประสงค์ยังประท่านหมดอธิบายเรื่องพระพุทธมาก็จบแล้วคำว่าจบในที่นี้นั้นจบอย่างเอกเทศส่วนหนึ่งต่างหาก คุณพระพุทธเจ้าเหลือที่จะคานานับอย่าว่าแต่เราเลยพระพุทธเจ้าแต่และอ ง, องค์ละองค์อุบัติขึ้นมาในโลกคานาของคุณกันจนกระทั่งสิ้นไปชนข้อนี้ที่ชินสุดเราเพียงแค่นี้มันจะจบเพียงแค่นจะจบนังไงได้แค่ที่วายแล้ว ตามความสามารถและความรู้ของเราที่อธิบายได้เท่านั้นแหละพออธิบายผ่านเข้าใจอันนี้จอธิบายเรื่องธรรมอีกสวขาโตพระขาวตาทำรรมโมาม้นเพื่อภูมิยภาคเจ้าตัดดีแล้วสันทิทิโก ทาเป็ดของเห็นด้วยตนเองอากาลิโกไม่เลือกการเลือกเวลาเอฮิปสิโกควรเรียกคนอื่นมาดูได้ปั จ, จตังเวทิเโพโยหิอินอยูชน ผู้รู้ทั้งหลายย่อมรู้แจ้งเห็นจิตในธรรมนั้นนี่บุตรควัมที่เป็นยอดยอดทาเที่ยวพระเด้าตเทศนานั้นมีมากมายเลือที่จะขา น, นานับ ทำมาที่นี่นั้นให้พึ้งเข้าใจว่าทาไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเขาสิ่งที่เป็นสภาวะอันหนึง่งที่เกิดที่เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่และต้องดับไป อันนั้นเป็นธรรมไม่ใช่ตัวตนบุคคลแล้วเขาพระพุทธเจ้าท่านเทศนาว่าธรรมโมธรรมนั้นคือมาจาก้าพูดทางบาลีท่านมากมายทระท่าแปลว่าธรรมทระท่าคือของทรงอยู่เป็นอยู่ สภาพเป็นอยู่ในโลกนี้ทั้งหมดเรียกว่าธรรมดีก็เรียกธรรมชั่วก็เรียกธรรมไม่ดีไม่ชั่วก็เรียกธรรมที่เราพูดพูดกันนั้นน่ะเรียกว่าธรรมธรรมนั้นมันธรรมภายนอกไม่ใช่ธรรมธรมมันที่พระองค์จะเทศนาแท้จริงนั้น คือธรรมน้อมเขามาภายในธรรมนี่ถ้าหากว่าคนไม่เอามาปฏิบัติม่นบอกฝึกปฏิบัติแล้วฝึกหัดมันถล่มลงมันก็เปลี่ยนอยู่อย่างนั้นนะพระองค์เทศนาว่าธรรมนะ่ะต้องเอามาปฏิบัติสิอย่างศีลห้าก็เรียกว่าธรรมเหมือนกัน การที่งดเว้นจากความชั่วนั้ น, น, นเรียกว่าสินสภาวะท่งไว้ซึ่งความดีคือว่าเมื่อบุคคลละความชั่วแล้วตั้งอยู่ในความดีอันนั้นเป็นธรรมแต่ท่านเป็ดค้บข้ อ, ของดเว้นประข้อข้อนะั้นเรียกว่าสินท่านเรียกว่าสินธรรมอยู่ด้วยกัน มาแยกตรงนิดเดียวผลของการปฏิบัตินะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะมันเกิดขึ้นมาเรีย ก, กว่าธรรมเกิดความดีขึ้นมาเรีย ก, กว่าธรรมการ ง, งดเว้นจากคองชั่วน่ะเป็นสินมีแยกกันออกไปอย่างนี้ อันนี้คาว่าแยกแยกที่นี้นั่นให้แยกตัวของเรานี่ยแหละตัวของเราปฏิบัติศีลธรรมก็เกิดขึ้นใหม่ตัวของเราไ ม, กออก ไ, ไม่จะแยกออกไปนอกระไม่จะแยกออกไปนู่นพระพุทธเจ้าอนเทสนาเข้ามาตรงนี้ให้เรา พ, รพุทธปฏิบัตินี้ธรรมแค่เงินนาบุคคลให้ไปสู่ สุขตินำบุคคลให้ไปดีคนปฏิบัติธรรมนั้นทำบุคคลให้ไปดีได้ <c oughs> เหมือนกับคนเราเนี่ยนะทำงานทำการใน่างเขาเรียกตามชื่อนั้นทำนาเขาเรียกชาวนาทำสวนเขาเรียกชาวสวน ทำราาการเขาเรียกข้าราชการทำงานเป็นทหารป้องกันประเทศชาติเขาเรียกว่าทหารตามชื่อ น, นั้นๆคนปฏิบัติหน้าที่ของต น, นนั้นเรียกว่าตามชื่อ น, นั้นๆส่วนทำก็เหมือนกันปฏิบัติศิล งดเว้นจากความชั่วอันนั้นได้ผลคือความอยู่เย็นเป็นสุขอันนั้นเรียกว่าธรรมเกิดจากการรักษาศีละพื่อสุดจริตอันนี้การกัตตัญญูกตัต ว, วิธี ข, นขนธรร้นีกน้กววนะ็เป็นธรรมเหมือนกันกัตตัญญูกัเวิธีน่ะเป็นธรรมชื่อว่าธรรมแ แต่ว่างคนว่าปฏิบัติกตัญญูไปว่ารู้จากคุณผู้อื่นที่ผู้อื่นทำแล้วกัตเวทีตอบแทนอันนั้นเน่ะเป็นคุณธรรมเกิดขึ้นมากัตัญญูกัตเวทีเป็นของหายากในโลกอ่ะ น, นี้ผู้ที่มีกตัญญูกัตเวทีหายากที่สุดของหายากในโลกมีสองอย่างคือตัตัญญูกัตเวทีอันนึ่ง ธรรมเกิดขึ้นจากกัตญูปตะเวทีอธิบายมากมายพวงข่วงไปเรือที่จะ ก, การพณะนับธรรมธรรมในที่นี้ท่านจึงสรุปรวมเรียกว่ารวมแยกออกไปอีกแอธิกันณานังมัชเชกนัาน์พิยศาณกนณานัง อทำเบื้องต้นงามในเบื้องต้นได้แก่ศีลงามในท่ามกลางได้แก่สมาธิงามในที่สุดได้แก่ปัญญาแยกว่าเป็นสามทำมาเป็นสามอย่างเนื้อเรียกว่ากุศลกุศลละมูลอาโลโคทุโสรโมโก็เรียกเรียกอั้นก็ถูก ความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงอันนั้นเนี่ยเป็นความดีของตนความบริสุทธิ์ของตนความเยือกเย็นเป็นสุขอันนั้นเรียวกว่าเป็นธรรมอันหนึ่งเหมือนกันแต่ในทีน่นี้อธิบายทั้งเรื่องอธิขณิยานางมาเชิกรรานาันญาณางไปโยสถานะกัญญาณาะงามในเบื้องต้นได้กเกิดสิทธเบื้องต้นยังจนะิงเน่ย คนที่มีสินเส็จแล้วหมดทุนทางไม่ทราบจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดชิ้นห้าชินแปดชินสิบชิ้นสิบเอ็ด น, น, นี้แหะเป็นเครื่องวัดของอุบาสุอุบ า, าชิกาชิกสุ ส, สามานีก็อันนี้แหละเป็นเครื่องวัดเรียกว่าเบื้องต้นขั้นเมื่อมีศินแล้ว งามในเบื้องต้ น, ตนงามท่ามกลางก็คือสมาธิความเย็นใจความไม่เดือดร้อนความสงบเพราะเหตุสิตนั่นแหละละงับเสียซึ่งความเดือดร้อนวุว่นวายทั้งสอมดจึงค่อยมีสมาธิแน่วแน่เต็มที่ แล้วาพิจารณาทั้งเรื่องเสียงั้งตนข้อนั้นก็งดเว้นข้อนั้นก็งดเว้นได้จิตใจก็เยือกเย็นมันก็เป็นสมาธิในตัวที่เรียกว่าจึงเรียกว่าศีลานุสติเป็นภาวนาปริกรรมาหนึ่ง มีสินแต่ไม่พิจารณาก็ไม่เกิดความสงบก็ไม่เกิดความปลื้มใจสงบจะไม่เกิดความปลื้มใจขณะพิจารณาตามข้ออ น, นั้นท์ที่เรางดเว้นจากความชั่ว น, นั้นท์เกิดความอิ่มใจเกิดปลื้มปีติขึ้นมาให้เกิดความสงบขึ้นมา อันนี้เรียกว่าทิมัตเชกัญญาพระนะริโยสา น, ยานะักกัญญานางงามในธรรมในที่สุดคือสมาธิในคือปัญญาปัญญานิชลาเฉียบแหลมรู้แจ้งเห็นจริงสิ่งสรรพัดต่างปวหมดไม่ขัดข้องคือรู้เหตุรู้ผล ผู้ตามเปิดหิงหายสงสัยไม่มีแคบแขงให้มีเครบแขงสงสัยในพระธรรมไต่แล้วยมีแคบเครือบแขงสงสัยในตัวขงเราพอเวลานี้เรามีสินหรือไม่ไม่มีแคบแขงไม่มีไม่มีเครือบแขงปัญญาในไม่ของกวดกลาพิจารณาค้นคั้วสิ่งห้งวงมด สิ่งทุกอย่างนั่นเรียกว่าประโยชนะ์สาระยายนะอันนี้พูดถึงเรื่องธรรมขยายออกไปกู้ว่างออกไปที่เรียกว่าอโลโคโทโสโมโหคือไม่โลกไม่โกไม่ลุเขาเรียกว่าธรรม หรือเรียกอีกในหนึ่งจะเรียกว่าธาตสี่ขันธ์หาคณะรั้วน่าจะเป็นธรรมันแต่ละอันนนัต้ตลอดถึงสติประธาน 4, สี่สมาประธานสี่ี่ห้าภราหาโพธิ์ทรงเกศตั้งที่กรรมอักแปดเรียกว่าโลพุดธรรมกรรมอีกนะรวนจะทำอย่างนั้น ครั้งล่นนี้จะเป็นธรรมขึ้นมาได้เขา อ, อาศัยเรามาปฏิบัติให้เกิดมีขึ้นในตัวของตนท่านพูดแ่าเกลไกล่นี้ยพูดในนอกอันเราไม่เอามาปฏิบัติมันก็พูดแก่พูดเฉยเราปฏิบัติเกิดขึ้นในตัวของเราเนี่มันมีในตัวของเราเมันยังค่อยถูกพูดโดเจ้าสนเทศสนาสอนอย่างนี้ คือสอนให้คนทำตามไม่ใช่สอนทิ้งเปล่าๆสอนให้คนไอปฏิบัติให้เป็นไปอย่างนั้นจริงๆเรียกว่าจึงเป็นธรรมนี่มากมายค้งขวงอย่างอย่างนี้แหละยังเรียกว่าส่วขาดโทพาตาธรรมโมธรรมะุูธเจ้า ปรับดีแล้วตัดดีทุกสิ่งทุกอย่างไม่ค้าเคลื่อนเลยว่าเป็นว่าบาปก็เป็นบาปจริงๆว่าบุญก็เป็นบุญจริงไม่ใช่ว่าบาปแล้วมันเป็นบุญไม่ใช่ไม่ใช่ว่าบุญแล้วเป็นบาปเป็นตามจริงทุกสิ่งทุกอย่างคนทําชั่วได้คุ้ชั่วจริงๆไม่ใช่ทําดีไม่ใช่กลับเป็นได้ได้ดีทาชั่วต้องเป็นของชั่ว กำรมดีต้องเป็นความดีอยู่างนั้นตลอดเวลาตายตัวเลยพระพุทธเจ้าสอนตายตัวห้าหนึ่งสันทธิโกแลขานี่วดต่อไปเห็นประจักษ์ในใจตัวตนเองอย่างพระพุทธเจ้าเทศอย่างนี้นะ ไม่มีในตัวของเราเราไม่เห็นในตัวของเราแค่แท่นีมันเกิดจากตัวของเราสินก็เกิดจากตัวของเราไม่มีสินก็เกิดจากตัวของเราความดีความชั่วเกิดจากตัวของเราเราเป็นคนทาประจั์แจงในใจของตร จึงเรียกว่าสันติโกเห็นได้ตนเองถ้าไม่เห็นได้ตนเองแล้วคนละไม่ได้ละก็ทักแต่ว่าละไนงะอย่างสมทานศีนงเงว่าสมาทานตอนอาภิเาติประสงสมทานแล้วไม่เห็นได้ตนเองแล้วออกไปหายเงียบเห็นได้ตนเองอะมันไม่ยอมทิง้ง ละตลอดชีวิตเลยการความชั่วมันเป็นเหตุติดตัวขงเราไปตลอดหลายภพหลายชาติเราลาชั่วมันก็นทิ้งในเวลานี้แหละทิ้งในขณะนี้แหละการนั้นที่เราทำแล้วมันต้องติดตามตัวของเราไปแน่นอนเราไม่ละมันก็ไม่ทิ้งก็ไม่หมดสักที เรล่เวลานี้เคหมดเวลานี้คนเราเกิดขึ้นมานับพบตระชาติไม่ั่วเกิดมาแต่ตรชาติตรชาติต้องมาสร้างกรรมกรรมชั่วไม่ของเราทําำอะไรมาทันหมดไสหนี่ของเก่าอย่างห้ดหมดกรับเพิ่มนี่ขึ้นอีกเมื่อความเห็นชินนี้ชัดเ็นในใจของเราแล้ว มันยอมยอมละความชั่วนั้นได้คือมีสิ่งแตงว่าเห็นด้วยตนเองถ้าไม่เห็นด้วยตนเองแล้วอย่างใครจะพูดกับผู้เถรครูอาจารย์เทศนาะนั้งสอนทั้งอะไรก็เทศเระเถรธรรมะกล่าวกันทั่วบ้านทั่วเมือง ิ้นก็ให้กันไปจำอยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองมีงานที่ได้การทำทานศีลให้บ้านทานศินให้บุตรแต่ิ้นไม่มีอยู่ในตัวศีลมันเกิดขึ้นในตัวของตนเรียกว่าไม่เห็นในตัวของตอนนั้นไม่ถูกธรรมที่ถูกธรรมมันต้องเห็นในตัวของตน เรียกว่าปัจจัดต่างเห็นเยพ่อตนแต่แท้ก็เป็นของแปลกเหมือนกันทำพระองค์รู้จักเห็นจริงในพระองค์เองแล้วยังมันแน้นำวัคคนอื่นเหตุตามด้วยโอ้โหของรอวิสัยของไม่มีตนมีตัวเอาพูดแนะคนฟังเข้าใจทราบซึ้งถึงใจงตรงนี้ ไม่ใช่ของง่ายเขก็มีในตัวของตนเขก็มีตนมีตัวจะแท้ของคู่ได้เห็นเป็นตนเป็นตัวขึ้นมาแล้วก็ละได้จริงด้วยนั่นว่าสันทิทิโกอะกาลิโก ไ ม, ไ, มรรมไม่ได้เลือกเวลาเวลาธรรมะไม่เลือกเวลาแม่เหมือนต้นข้าวที่เขาปลูกในนาถึงฤดมอองออมูมันก็ออกรวงออกผลถ้าไม่แก่มันก็เอาไปกินไม่ได้ถ้าออกรวงออกต่ออก อ, อกรวงแล้วก็ยังใจเม็ดมันจะแก่ได้ก่อนหนึ่งค่อยทานได้ ยังเม็ดเมื่อเกิดเม็ดแล้วก็นยังทานไม่ได้อีกต้องเอาไปเอาเม็ดนันข้าเปลือกนั่นไปตาไปซ้อมจนเป็นเม็ดข้าวสารก็ยังกินไม่ได้อีกจนว่าหูงมาต้มแล้วค่อยทานได้เป็นขั้นเป็นตอนไปแต่นี่หาได้เป็นเช่นนั้นไหมธรรมะอากาลิกโก เขเกิดขึ้นกับทานได้เลยอย่างแล้วเห็นศีลยังไหละเห็นชัดในศีลเ้ยเมื่อพิจารณาเกิดเพิ่มปีติมันได้เกิดขั้นเกิดตอนที่ไหนตนะั้งแเกิดเพิ่มปีติเมก็อิ่มใจโบริบูนขึ้นมาเต็มใจขึ้นมาในตัวไม่ต้องลำบากอรกาศ ร, รีกโก ต้องเลือกเช้าสายเที่ยงบ่ายไม่ต้องเลือกในขณะนั้นแหละในขณะเวลาที่เรานั่งนั่นแหะในขณะที่เราพิจารณาน่ะเนี่ยมันเห็นชัดเคยมาดือยตนเองแหะเป็นอากาศทโก้ไม่เลือกกาลไม่เลือกเวลาเวลา ธรรมะที่เทศนาที่พระองค์เทศนาอธิบายในวันนี้เพียงสามข้อเท่านั้นที่เรียกว่าสวขาโตมฆ ว, ว, าาวาตาธโรรมอันหนึ่งสันทิทโกคือเห็นเองด้วยตนเองนั่นเองคำว่าเห็นเองเนี่ยคนอื่นสอนนี่ ดีคนอื่นไม่สอนก็ตามแต่เห็นเนื้อตนเองคนอื่นสอนไม่เห็นก็เท่าเกนะ่าคนอื่นไม่สอนแต่เห็นเนื้อตนเองก็นั่นแต่ะเป็นของดีนั่นยังเรียกว่าสามที่โกอนัการิีโกไม่เลือกกาลเลือกเวลาอธิบายวันนี้เพียงสามขอ้อทำเหล่านี้นะเกิดขึ้นในตัวของตน ฟ้าโกดขึ้นในตัวของตนมีอยู่ในตัวของตนแล้วเต็มตื้นในตัวของตนแล้วอิ่มบุอิมอ่มเต็ม เ, เต็มตื้นอิ่มบริบูรณ์ในตัวของตนไม่ต้องไปหาที่อื่นเอาละอธิบายนนั้นตั้งใจค้นคว้า พิจานณาทั้งเรื่องธรรมธรรมมันมีในตัวของตนแต่ว่าตนไม่เห็นให้ ค, นค้นข้อมันเห็ น, นที่ภาวานาไม่เป็นเป็นคือมันไม่เห็นธรรมนั่นเองที่มันมีในตัวของตนแต่ว่าไม่ปากไม่เห็นขึ้นมาในตัวของตน เพราะอาศัยความวุ่นวายสงสยัยเกตั้งควงครอบงามมดเลยไม่เห็นไม่เห็นแต่สิ่งมัวหมองขุ่นมัว <Okay. S 1> เหมือนกับ น, น้ำ <Okay. S 1> มันขุ่นแต่ว่าน้ำแสงอยู่ในน้ำขุ่นนั่นแะ มีปัญญาในกาพิจารณากลั่นออกมาจากของคุค้นๆนั่นเลยเป็นของใสขึ้นมาได้ใช้ได้รับทานได้ธรรมะทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าหากเราเพ่งพิจารณาลงไปจริงๆอย่างนั้นเลยเรื่องเ ร, เรียกว่ากลัน่นเรียกว่ากรอง เอ่งถึงของจริงมันมีอยู่ในนั้นเนี่ยอย่า่าความโกรธความโลภความหลงหรือความรักความฉังเรายังมาท่านเห็นตัวมันแท้สิ่งที่มันคุมเครืออยู่นั้น ความโลภความโกรธเขาลงมันคลุมเครืออยู่ความโลภคือว่าอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นความอยากอันนั้นมันคลุมไว้เลยคันธาเพื่ความนั้นออกจะแล้วปล่อยวางมดมันตั้งตรงกลางตรงนั้นนหะความไม่อยากไม่ไม่อยากมีไม่อยากเป็น ไม่อยากรู้อย่างเห็นตรงกลางแล้วเกิดขึ้นมานั่นเราเรียกว่าธรรมของกลางเรียกว่าธรรมอากปัจจุบันเพราะปัจจุบันไม่ได้คอยมีอดีตอนาคตก็เพราะปัจจุบันไม่ได้คอยมีอนาคตถ้าไม่มีปัจจุบันในอนาคตเกิดไมมมีเป็นธรรม ความโลภมันจะเยอ ะ, ะอต่ยานที่ล้นอยากได้นอนอย่างนี้มันปกคลุมอยู่มาให้เห็นมันวามที่เป็นกลางมาเห็นเห็นเด็กมีแต่ของความปกคลุมอยู่ด้วยวามอยากได้ความหลงมัวเมากับสิ่งทุกอย่างเมาไปหมดกสิ่งทุกส่วน เมาตนเมาตัวเมาคนอื่นหลงลักหลงฉังพอบจะควบเ ม, มาเน้นไว้ควบหลงเน้นไว้ก็เลยไม่เห็นของจิตหกเพ้อของสามอย่างนี้ออกไปแล้วกลั่นของสามนี้นี้ออกไปแล้วมันยังอันเดียวคขานี่ยังตัวกลางตัวเดียวเสนัะ เมื่อเห็นแจ้งไวจากขึ้นมาเลยไม่ใช่เห็นแจ้งอันอื่นไกลเคลื่อนแจ้งครบโรคของโกรธของโก ร, ร, โร น, นั้นชัดขึ้นมาเลยโอาอันนี้เนาะมันมัวหมองเพราะเหตุนี้เราะมั่นแหละเห็นอันนั้นอ่ ะ, ะไม่ใช่เห็นอื่นไกลอะไรหรอกเพราะฉะนั้น เราจะแพ้งพิจารณาจนเห็นในที่นี้แหละไม่เห็นไม่ยอมแม้ชีวิตจะเด็ดจะขาดตั้งแต่กระตามมาเถิดถ้าหากเราเยังไม่เหธรทมจะไม่ยอมพอยอมลดละจะภาวนาพิจารณาจนกระทั่งเห็นธรรมจึงจะยอมมัน หาอะไรอะยังนิดเดียวก็หาอย่างนั้นเพราะเราเป็นนักปฏิบัติเราตั้งใจแล้วว่าจะมาปฏิบัติเราตั้งใจจยามาต่อสู้ธรไมยังไม่ต่อสู้อ่ะไม่สู้สักทีสู้ทีแรกก็แพ้ไปทีนั้นเลยไม่เป็นฐ่า แพร่ทุกค้างทุกข่าวไปเลยไม่เป็นท่าที่หลังก็เลยเคยชินนวของอันที่มันแพร่นั่นเองนั้นจึงให้ตั้งใจดเด็ดเดี่ยวเอาไม่เห็นทม